บทที่21ร่วมฝันพร้อมจะนอนตอนนี้เลยหรือเปล่าล่ะพร้อมเลยค่ะหล่อนตอบทันทีอย่างสุดกระตือรือร้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะนอนลงถือโทรศัพท์ไว้และวฟังที่พูดไปเรื่อยๆไม่ต้องโต้ตอบอะไรตัดความรับรู้จากโลกภายนอกออกให้หมดให้เหลือแค่ความรู้สึกว่ามีร่างของจ๊ะทอดนอนอยู่และฟังเสียงพี่เท่านั้นลานดาวทอดกายนอนยาวตามคําสั่งมือยังถือกระบอกโทรศัพท์แนบหู ฟังเสียงพี่แล้วสังเกตไปด้วยนะว่าจิตของพี่นิ่งหรือสั่นไหวยญิงสาวรู้สึกถึงสภาวะจิตอันมั่นคงสว่างสวของเขาซึ่งพลอยทำให้จิตหลอนรับส่วนความตั้งมั่นตามไปด้วยเอาละ่ะตอนนี้พี่ก็เอ็นตัวลงนอนด้วยแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพอพี่พูดจบให้เจ้าวางกระบอกโทรศัพท์ไว้ข้างตัวทางด้านซ้ายปิดตาลงแล้วให้นึกถึงโทรศัพท์ หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะเจรู้สึกสัมผัสจิตพี่เรากับมีพี่นอนอยู่ด้วยข้างๆให้ประคองรักษาความเห็นทางใจว่ามีเงาร่างของพี่ไว้เรื่อๆพร้อมกำหนดใจว่าพอหลับลงเราจะลุกขึ้นคุยกันเข้าใจนะค่ะเข้าใจโอเคก็จิตพี่ไว้อย่าให้คลาดนานแค่ไหนก็อย่าพะวงอย่าเร่งรัดให้ต้องหลับเร็วๆนะเดี๋ยวเจอกันวางโทรศัพท์ลงข้างตัวได้ลานดาวปฏิบัติตามด้วยความระทึกเล็กๆ แม้วางกระบอกโทรศัพท์ไร้สายลงข้างกายซึ่งเป็นการตัดการเชื่อมต่อระหว่างประสาทหูกับซุ้มเสียงของอมริตแล้วก็ตามแว่ายังรู้สึกว่ามีเขาใกล้ชิดอยู่เคียงข้างนั่นเองเหมือนจริงเสียจนต้องเม้มปากนิดๆด้วยความ จ, ากจักระจีได้แต่บอกตนเองว่านี่เป็นแค่การเล่นสนุกทางจิตกายเนื้อของอมริตอยู่ห่างถึงมุมไหนของเมืองก็ไม่ทราบความอยากรู้อยากเห็นของหล่อนพุ่งสูงเสียจนทะลุเพดานความหวาดระแวงทั้งปวงและฝากความเชื่อมั่นทั้งหมดไว้ที่เขาคนเดียว ยิงสาวกอกกระแสะจิตของอมริตไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็ไม่ลืมลมหายใจเข้าออกซึ่งเมื่อทอดร่างเหยียดยาวก็เหมือนหายใจได้ลึกและสบายขึ้นกว่าตอนนั่งด้วยซ้ำสํานึกรับรู้แผดสะภายนอกเบาบางลงเรื่อยๆเหลือแต่ความรู้สึกสมจริงภายในที่เชื่อ ว, ว่าตนกำลังนอนเคียงข้างอมริตแทนที่จะหลับกลับกลายเป็นเหมือนนอนแข่งทำสมาธิให้นิ่งเท่าเขาไปลานดาวกังวลขึ้นมาเล็กน้อยว่าถ้าจิตตื่นโพลงตาแข็งทื่ออย่างนี้กว่าจะหลับอาจเช้าเสียก่อน หญิงสาวกระสับกระสายเป็นระยะเมื่อผุดระลอกความฟุ้งซ่านขึ้นแทรกแสงสมาธิแต่นึกได้ว่าอมริศสั่งไว้แล้วคือนานแค่ไหนก็อย่าพะวงอย่าเร่งรัดให้หลับจึงประคองสภาพทั้งหมดไว้เรื่อยเมื่อเริ่มหลุดลอยเป็นฟุง้งก็ดึงใจกลับมาจ่อจิตเขาใหม่พลังรู้ลมหายใจตนเองไปด้วยกับทั้งไม่ลืมเป้าหมายว่าหลับเมื่อใดจะรู้สึกตัวลุกขึ้นคุยกับอมริเมื่อนั้น ยิริยาบดนอนเอื้อต่อการไหลลงหลับอยู่ในตัวเองดังนั้นเกือบ20นาทีต่อมาจังหวะที่เกิดรอยต่อระหว่างความรู้ตัวกับความหลุดลอยเลื่อนหลงลานดาวก็ก้าวลงสู่ห้วงนิทราด้วยความเพลียจากการใช้กำลังงานคุมสมาธิการจดจ่อกับจิตที่ทรงกำลังเหนือกว่ากับทั้งจิตของอีกฝ่ายเปิดรับและยอมเชื่อมต่อด้วยทำให้นิทรารมครั้งนั้นของลานดาวแตกต่างจากเคยคือเมื่อเคลิมเข้าสู่ผวังมืดครู่หนึ่งก็ถูกสัญญาณเดิมที่กำหนดไว้ก่อนหลับปลุกสติขึ้นเล็กๆ แต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเชื่อมต่อได้ติดกับจิตอีกขั้วหนึ่งคล้ายถูกดูดผลุกจากฐานกายเดิมเข้าไปอยู่ที่ฐานใหม่สํานึกแรกลานดาวลืมตาดึงกายขึ้นนั่งด้วยความแช่มชื่นสํานึกต่อมาคือความพิศวงใจกับสัมผัสรู้สึกแปลกใหม่แตกต่างเป็นคนละโลกกับเมื่อครูมองตรงหน้าก็พบอมริตในชุดเดิมที่เห็นเมื่อกลางวันเขานั่งขัดสมากลางพื้นห่างไปประมาณ5้าก้าวและกำลังทอดสายตารอรับหล่อนด้วยรอยยิ้มอะไรอย่างหนึ่งในกระแสตาของเขาบอกว่า อมริช่วยปลุกสติและเป็นคนเรียกหล่อนมาอยู่กับเขาณที่นี้หล่อนกําลังอยู่ในฝันอยู่ในความคุ้มคลองและอาจจะอยู่ในกํามือของเขาพูดง่ายๆคือมีตัวตนอยู่ภายใต้อนาตอมริดชนิดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหญิงสาวยิ้มตอบอย่างตะลึงทึ่งประหลัดนักที่สติยามหลับกลับคมคายแจ่มชัดเสียยิ่งกว่ายามตื่นสายตาหล่อนรู้ละเอียดกว่าเดิมทั้งสีสันรูปทรงและกระทั่งผัสสะทางกายที่ขยับไหวได้คลบท้วนเสมือนกายเนื้อแท้แท กมมองก็เห็นร่างหล่อนเป็นปกติสมบูรณ์ในชุดเสื้อกางเกงนอนเดิมเมื่อเหลือบสำรวจก็พบว่ารอบด้านคือแผ่นแก้วสามเหลี่ยมใสที่เรืองแสงวิจิตรได้ในตัวเองหล่อนกำลังนั่งอยู่ในพีระมิดคือพื้นเป็นขอบเขต จ, จัตุรัสประมาณ10บคูณสิเมตรมุงด้วยผลึกแก้วน้ำงามสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้ง4ี่ด้านแง้มมองเบื้องบนเห็นเรียวขึ้นสู่ความเป็นยอดแหลมอันเกิดจากจุดสุดของสามเหลี่ยมบรรจบกันแม้จะอยู่ในขอบเขตปิดทึบ แต่ถว่าบรรยากาศภายในกลับปลอดปร่งเสมือนอยู่บนเขาสูงให้ความรู้สึกกว้างขวางเวงว้างลานดาวหายใจด้วยความสดชื่นตื่นเต็มกลิ่นหอมระรวยชวนอภิรม์แต่ต้องคารประสาทก่ออารมณ์ละเมียดละไมลึกซึง้งอย่างยากจะพนานาด้วยโวหารเชิงเปรียบเทียบใดๆเหลียวกลับมาสบสารตารูปกายนั่งสงบนิ่งของอมริตเข้ากันได้สนิทกับความเงียบสงัดภายในพิระมิดนึกไว้ใจเขาเหมือนเห็นรูสีสักตนที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่นี่ที่ไหนคะ รู้สึกถึงพลังเสียงคมใสเหนือธรรมดาของตนตระหนักว่าหล่อนกำลังมีรูปลักษณ์และคุณสมบัติต่างๆภายใต้ขอบเขตการเนรมิดและอำนาจบรรดาลของเขาโดยแท้เป็นพีระมิดที่เกิดจากการกำหนดสร้างนิมิตขึ้นสิ่งที่จ้ากำลังเห็นก็คือส่วนหนึ่งของจิตพี่พี่ก้าวลงสู่อาการหลับด้วยสติอย่างใหญ่ความสามารถของจิตขณะนั้นอาจกำหนดอะไรขึ้นก็ได้ตามปรารถนาและพี่ก็ปรารถนารูปพีระมิดอย่างนี้ นักกีฬาทางจิตหลายคนรู้ดีว่าถ้าลงหลับโดยมีรูปทรงนี้ครอบตัวก็จะเกิดสติรู้ตัวชัดเจนเหมือนตื่นขึ้นในอีกโลกหนึ่งจางงจนพูดไม่ออกนี่เหมือนชีวิตใหม่ในอีกโลกจริงอย่างที่แตรว่าเลยค่ะช่วงนี้ได้สัมผัสชีวิตใหม่หลายแบบหน่อยนะอมริ์เปล่าพลางยิ้มกว้างขึ้นเห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าชีวิตไม่ได้มีแค่มิติเดียวไม่ได้มีตัวตนแบบเดียวค่ะสุดพิสดารพันลึกเหลือเกินเลยข้างนอกพีระมิดคืออะไรคะความฝัน แล้วนี่ไม่ใช่ความฝันหรอกหรือคะฝันที่มีพี่เป็นเจ้าภาพไม่ใช่ฝันของจ่าเองสําหรับจ่าแล้วนี่คือภาวะที่เกิดขึ้นภายใต้การหลับแต่ไม่ใช่สภาพจิตใจแบบฝันเห็นไหมว่าจ่ามีสติเต็มเสียยิ่งกว่าตอนตื่นอีกถ้าจ่าจะลองออกไปข้างนอกพีระมิดจะเกิดอะไรขึ้นลองดูสิไม่หูหนาตาเลยปากเบี้ยวเหมือนถูกไฟช็อตนะคะอมาลิดหัวเราะเอาเถอะไม่เป็นอันตรายหรอกลานดาวขยับกายลุกขึ้น ต้องเดินหลายก้าวกว่าจะถึงผนังเอ็นด้านใกล้สุดหล่อนยื่นแขนนําออกไปก่อนเห็นมือตอนเองทะลุผนังไปเฉยๆและยังเห็นคงรูปเดิมเป็นปกติมิใช่ยื่นผ่านผนังแล้วหายหุนแต่อย่างใดจึงค่อยรวบรวมความกล้าได้มากขึ้นก้าวเท้าเอาตัวทะลุผนังออกไปทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเหมือนแสงสว่างรีลงเหลือเพียงมะลังมะเรืองวินาทีแรกแห่งการย่างกลายออกสู่ภายนอกยังคงทรงสติรู้ว่าหล่อนเป็นลานดาวผู้กําลังพ้นเขตพีระมิด แต่เพียงอึดใจต่อมาสํานึกคิดอ่านที่คมชัดอยู่ดีๆก็พล่าเลือนลงกลายเป็นเมฆหมอกมัวมนแบบเดียวกับคนง่วงนอนจัดที่กึง่งเคลิมกึ่งรู้สึกตัวและเริ่มปรากฏภาพฝันมัวมนขึ้นในมโนทวารด้วยอัตตายามนี้หล่อนเป็นนางอะไรนางหนึ่งที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ในห้องรับแขกบ้านใครบางคนเจ้าของบ้านคือชายหนุ่มที่ทําให้เกิดความยินดีเมื่อเห็นเขานั่งยิ้มต้อนรับในบุ ค, คลิกที่คุ้นเคยหล่อนรู้สึกตัวว่าเป็นอคันตุ ก, กะผู้มาเยือน สันึกร่างๆแต่แรกเริ่มชัดขึ้นจำได้ว่าตนเองคือลานดาวถัดมาจึงนึกออกว่าเขาคืออมริตจากนั้นเกิดความสับสนกับสภาพตรงหน้าขมวดคิ้วตรึกนึกทบทวนว่าเมื่อครู้ตนมาจากไหนถอยกลับไปเถอะเจ้าของบ้านคลายช่วยให้หล่อนระลึกได้เร็วขึ้นเมื่อนั้นเองลานดาวจึงถอยเท้ากลับหลังอย่างนึกออกว่าอะไรเป็นอะไรกลับคืนสู่สภาพทรงสติแจ่มชัดภายในเขตพีระมิดแก้วคลายเธอเรื่องตัวพรวดจากก้นบาดาลสุดลึกขึ้นสู่อากาศโปร่งเหนือน้นำ กระพริบตาถีๆเหลียวมองอมริตผู้ยังคงนั่งคัศมาต์อยู่ณตำแหน่งเดิมการสลับจากสติรู้ชัดเป็นฝันหลงและแปลจากฝันหลงกลับคืนเป็นสติรู้ชัดภายในช่วงเวลาอันสั้นนั้นทําให้เกิดความพิศวงงงงวยกับความรู้สึกในตัวตนเป็นอย่างยิ่งพี่แตรเรียกจ๊ะกลับมาหรือคะเปล่านี่ได้เห็นได้ยินอะไรหรือจ๊ะเห็นพี่แตรในห้องรับแขกและพี่แตรบอกให้จ๊ะถอยกลับมาอ๋อตัวพี่ในฝันของจ๊ะ ก็คือจะเองเตือนสติให้กลับมาที่นี่นั่นแหละถ้ากําลังเต็มตื่นจะปรากฏในรูปความคิดสั่งตัวเองเป็นภาษาพูดในหัวแต่เมื่อกําลังฝันก็ต้องอาศัยรูปนิมิตอื่นบอกแปลว่าจิตคนทั่วไปเชื่อมต่อกันได้ระหว่างฝันจริงๆโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคะใช่แต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยสักหนึ่งในพันมัง้งแล้วเหตุการณ์ในฝันก็จะมัวมากสื่อสารอะไรเลยเธอวุ่นวายแบบพูดกันคนละเรื่องเป็นส่วนใหญ่เพราะไม่มีกําลังสติจากฐานสมาธิจิตช่วยค้า จนต่างฝ่ายต่างนึกว่าฝันไปเองคนเดียวต่อเมื่อตื่นนอนแล้วพอเพ้ออินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุยให้ฟังว่าฝันถึงก็อาจต้องตื่นเต้นประหลาดใจเมื่อพบว่าอีกฝ่ายก็ฝัฝนแบบเดียวกันรวมเหตุการณ์และฉากแวดล้อมใกล้เคียงในคืนเดียวกันนั้นจ้าเคยอยู่สองสามผลกับเพื่อนสนิทค่ะพอรู้ว่าอีกคนฝันด้วยก็วิตไวกระตู้วูักันใหญ่แต่ไม่ทราบจะทําให้เกิดขึ้นอย่างใจได้อย่างไรพักหัวรอนหนึ่งก่อนเอ่ยสืบต่อปกติจ้าเป็นคนฝันสนุก แล้วก็รู้สึกว่าฝันของตัวเองชัดเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เปลี่ยนมุมมองไปเลยค่ะฝันทั้งหมดที่ผ่านมาคือภาพและเสียงพร่ามัวเลอะเทอะเลื่อนเปื้อนแม้แต่เนื้อตัวก็แหวงวินไร้น้ำหนักสะท้อนให้เห็นเลยว่าตอนไร้สตินี่คนเราคิดอ่านและพูดจาได้มั่วขนาดไหนอยากลองอีกทีไหมล่ะคราวนี้ลองกระโดดขึ้นไปให้ทะลุออกทางยอดภาพเสียงและสัมผัสจะชัดขึ้นมะไม่ละค่ะอยู่กับพี่แปลปลอดภัยกว่าเป็นไหนไหนเดี๋ยวโดดทะลุยอดแล้วภาพเสียงชัด แต่กลายร่างเป็นอีแรงขึ้นมามันจะยุ่งอมาลิ์หัวเราะขำลานดาวสำรวจเนื้อตัวอีกครั้งพบความเต็มตึงอวัยวะครบถ้วนแล้วกลางขาถ้าอย่างนี้อะไรกันแน่คะที่เรียกว่าความจริงที่จ๊ะกําลังสัมผัสและรู้สึกตัวอยู่เดี๋ยวนี้มันช้าเสียยิ่งกว่าโลกมนุษย์ตอนลืมตาตื่นเสียอีกถ้ายึดจิตเป็นหลักทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบให้เรารับรู้ได้ก็เป็นจริงหมดนั่นแหละจ๊ะแม้แต่ความฝันไร้สติที่จ๊ะออกไปสัมผัสเมื่อครู่ ก็คือความจริงในชั่วขณะนั้นสําหรับจ้าความฝันอาจเป็นรูปแบบวิธีสนองความต้องการที่หาไม่ได้ขณะลืมตาตื่นหรือสําหรับบางคนอาจเป็นรหัสใบอนาคตจําลองสถานการณ์ที่ยังมาไม่ถึงเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจซักซ้อมเอาไว้ลานดาวตาสว่างแปลว่าจิตเท่านั้นหรือคะที่เป็นความจริงถ้าถกกันในเชิงปรัชญาแนวพุทธแม้แต่จิตก็ไม่จริงด้วยซ้ําเหตุผลตามมุมมองของพระพุทธเจ้าคือสิ่งใดต้องเลอะเลือนเสื่อมสภาพไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ของจริงจิตเราเป็นธรรมชาติที่แปรปลวนอยู่ในสภาพตื่นแล้วกลายเป็นสภาพหลับมีสํานึกแบบเด็กเพื่อเติบโตขึ้นเป็นสํานึกแบบหนุ่มสาวก่อนจะหยุดที่สํานึกแบบคนแก่และถ้ามองเป็นขณะขณะการรับรู้หนึ่งดับไปก็คือจิตสลายตัวแปรเป็นอื่นแล้วที่ยังนึกว่ามีตัวเดิมเพราะธรรมชาติความจํายังสืบสายอยู่ไม่ขาดแต่ความทรงจําเองก็ต้องเสื่อมลงอยู่ดีฟังไปฟังมาไม่มีอะไรจริงสักอย่างก็มีอยู่นะ เรากำลังอยู่ในจักรวาลของเหตุผลเหตุดีคือผลดีเหตุร้ายคือผลร้ายแต่ทั้งดีและร้ายเกิดแล้วดับไปเรื่อยไม่มีตัวเราแบบที่เรากําลังสํานึกและรู้สึกอยู่เดี๋ยวนี้อย่างถาวรเท่านั้นหญิงสาวฟังแล้วอึ้งไปพักหนึ่งเข้าใจแง่มุมของชีวิตกับาศาสนาขึ้นเยอะเลยค่ะพี่แตร์คะพีระมิดมีอํานาจพิเศษจริงหรือเรียกว่าเป็นเงื่อนไขลี้ลับของธรรมชาติที่เราไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็แล้วกันพีระมิดมาจากคกํากรีคือพีรามิดอส PYRA MIDOS แปลว่าเปลวไฟตรงกลางซึ่งน่าแปลกที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ค้นพบว่านักตำแหน่งใจกลางพีระมิดที่ความสูงหนึ่งในสาจากกึ่งกลางฐานถึงยอดเป็นจุดรับพลังจากสนามแม่เหล็กโลกและรังสีคอสมิกและคายพลังออกมาจากจุดโฟกัสนั้นคล้ายเปลวไฟจริงๆหมายถึงจะใช้วัสดุแบบไหนก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางพลังแบบเดียวกันหรือคะ ใช่ด้วยธรรมชาติลูกขึ้นสู่ยอดแหลมจากฐานจัตุรัสแม้แต่โครงเหล็กแท่งๆที่ประกอบกันเป็นพีระมิดตรงหรือก้อนหินธรรมดาที่นำมาเรียงเป็นพีระมิดทึบก็จะคายอนุภาคไอออนประจุลบออกมายิ่งถ้ามวลสารโดยรวมของพีระมิดเป็นอั ญ, ญมณีอย่างควอซ์คริสตัลทองคำหรือเงินก็จะยิ่งให้พลังมากขึ้นอย่างมหาศาลมีคุณกับกายมนุษย์เช่นทาให้สนามแม่เหล็กในร่างอยู่ในภาวะสมดุลและมีผลแม้กับวัตถุเช่นทําให้มีดโกนกลับจากทึบเป็นคม แปลกจังแค่รูปทรงวัตถุ ก, ก็ทําให้เกิดการคายพลังออกมาได้เป็นกฎธรรมชาติที่ปราศจากการอธิบายเรารู้เพียงว่ารูปทรงพีระมิดจะดูดพลังงานสนามแม่เหล็กโลกและรังสีจากดวงอาทิตย์ทําให้โมเลกุลในอากาศเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วรีประจุไฟฟ้าสถิต ท, ที่เป็นลบจากมวลสารของพีระมิดออกมาทํานองเดียวกับที่เราหวีผมแรงแรงเร็วๆในหน้าหนาวสักไฟฟ้าทําให้เกิดแรงเคลื่อนประจุ ข, ขึ้นสู่จุดยอดเบื้องบนเกลียววน และนั่นเองทำให้ถ่ายรูปพีระมิดด้วยกล้องเกเลี่ยนแล้วเห็นเหมือนเปลวเทียนอย่างที่จ้าเคยได้ยินว่าทำสมาธิในพีระมิดจะสงบง่ายนี่ก็จริงใช่ไหมเป็นอย่างนั้นธรรมดาคลื่นสมองคนเราตอนคิดคิดจะกระเพื่อมยุ่งเหยิงเพราะถูกกระตุ้นให้ทำงานอยู่เรื่อยๆ เ, เรียกว่าคลื่นเบต้าลักษณะคลื่นจะมีความถี่มากแต่ความสูงของคลื่นจะต่ายิ่งเวลากาลังขุ่นเคร่งเครียดค่าของคลื่นเบต้าก็จะยิ่งมากขึ้น ต่างจากตอนกำลังพักผ่อนหรือช่วงที่ทำงานสำเร็จรุล่วงสบายใจแล้วคลื่นสมองจะมีความถี่น้อยลงแต่ความสูงของคลื่นจะมากขึ้นคลื่นแบบนี้เรียกว่าอันฟ้าถ้าเข้าไปนั่งในพีระมิดซึ่งมีการคายอนุภาคไอออนประจุลบออกมามีผลกับสนามแม่เหล็กในร่างกายคลื่นสมองจะปรับมาเป็นคลื่นอันฟ้าโดยแทบไม่ต้องลงทุนลงแรงจึงทาให้ไม่คิดมากไม่เปอะปะไร้ระเบียบอย่างปกติกาหนดเข้าสมาธิลึก คือเป็นคลื่นระดับต่อๆไปเช่นเทต้าได้ง่ายทํานองเดียวกับแววเสียงระฆังที่มีกังวานหวานๆหรือสูตรกลิ่นทูบที่หอมเย็นแล้วเหมือนถูกกล่อมให้สงบผ่อนคลายความตึงเครียดลงอย่างนั้นหรือเปล่าคะทํานองเดียวกันแต่อันนั้นเป็นการกระทบประสาทหยาบแล้วมีผลกับการทํางานของสมองสําหรับพีระมิดจะส่งผลกระทบกับสนามแม่เหล็กโดยตรงตอนกลุ้มๆพอได้ยินเสียงแมวอ้อนก็สงบลงได้อย่างนี้แปลว่าแมวสงบกว่าเราหรือเปล่า เสียงบางเสียงไม่ได้กล่อมให้สงบโดยตรงแต่กระตุ้นให้เกิดเมตตาจิตคิดเอ็นดูตัวเมตตาจิตนั่นแหละความสงบแล้วถ้าเป็นพีระมิดที่สร้างขึ้นจากจิตนี่ล่ะคะจะให้ผลกับผู้เข้ามาอาศัยอย่างจ๊ะยังไงมันก็จะคายพลังจากจิตของพี่ออกมาเต็มอัตราและอย่างที่จ๊ะกำลังเห็นเราอยู่ในฝันได้โดยไม่ไหลลงสู่ผวังหรือความเลอะเลือนตัวพี่เองก็อาศัยพลังเลี้ยงสติจากพีระมิดอยู่เหมือนกับจ๊ะนั่นแหละ อ้าวไม่ใช่ว่าพีระมิดเป็นสิ่งที่พี่แตรต้องใช้กําลังจิตรักษาไว้หรือคะจา ก, ก็สงสัยอยู่ทีเดียวว่ามันค้างรูปอยู่ได้ยังไงเห็นพี่แตรก็คุยกับจ้าเป็นปกตินี่เป็นคุณวิเศษของจิตขณะหลับพี่ต้องผ่านขั้นตอนการฝึกยุ่งยากมากทีเดียวกว่าจะได้กุญแจไขพลังลับดอกนี้มาเริ่มต้นคือก่อนหลับต้องสร้างพีระมิดขึ้นครอบทั้งร่างจากนั้นสกุลจิตตัวเองเข้าสู่ภาวะหลับได้ทันทีชนิดกดปุ่มเปิดปิดดังใจ เมื่อหลับแล้วก็ต้องรู้สึกตัวขยับออกจากภาวะแช่แข็งได้ถูกด้วยจากนั้นจึงฝึกดึงความจำเกี่ยวกับนิมิตพีระมิดที่สร้างไว้ก่อนหลับพอนอนด้วยวิธีนี้ทุกคืนเป็น10ปีพีระมิดก็เหมือนบ้านที่สองมีตัวตนมีความเป็นจริงเป็นจังและเหมือนมันสามารถรักษาตัวเองโดยพี่ไม่ต้องออกแรงประคองเหมือนตอนเข้าสมาธิขณะตื่นรูปทรงที่เห็นก็คือจิตอีกภาคหนึ่งของพี่แตรที่คงสภาพตกผลึกแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของความคิดก็แล้วกันไม่ใช่จิตหรอก สิ่งที่จิตสร้างขึ้นจะไม่หายไปไหนถ้าสะสมพลังเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดก็เข้าสู่สภาพตกผลึกอย่างจะเรียกอย่างถ้าตอนนี้ใครไปนอนเตียงพี่แตร ى, ก็จะได้ผลเหมือนนอนในพีระมิดแก้วใกล้เคียงมัง้งแล้วทั้งหมดที่จ้ากาลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้คือสิ่งเดียวกับที่พี่แตรกําลังเห็นไหมคะพูดง่ายๆเรากําลังเห็นสิ่งเดียวกันอยู่หรือเปล่าอมริส่ายหน้าแตกต่างกันลานดาวอ้าปากหวอนึกแล้วเชียวเดานะคะ จ้าเห็นตัวเองในชุดเสื้อกางเกงนอนแล้วก็เห็นพี่แตรในชุดเดิมเมื่อกลางวันอันนี้ก็คือสัญญาณความจำที่ติดมาก่อนหลับผิดจากของจริงที่พี่แตรกำลังเห็นใช่ไหมใช่แต่ในโลกของจิตนั้นของจริงแท้ๆไม่มีหรอกจ้ามีแต่เห็นมาจากระดับจิตแบบไหนระดับจิตนั่นเองทําให้เกิดมุมมองไปต่างๆสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือเราคุยกันด้วยใยเชื่อมโยงสัมพันธ์ทางจิตซึ่งต่างฝ่ายต่างเปิดรับจ้าเห็นจากความจำของจริงในโลกวัตถุ ส่วนที่เห็นจากภูมิจิต ท, ที่เป็นตัวของตัวเองในปัจจุบันตามฐานะเจ้าของพีระมิดจะมีสิทธิ์เลื่อนชั้นการเห็นบ้างไหมคะมีปุบ ป, ปับลานดาวก็เห็นเสาแก้วต้นหนึ่งปรากฏขึ้นใกล้กายด้านขวานั่นทําให้หล่อนตกใจพอควรเพราะที่นี่ไม่ได้คล้ายความฝันหรือโลกจําลองแต่อย่างใดเหมือนอยู่ในโลกความจรงิงแล้วจู่ๆเกิดวัตถุปแปลกปลอมโผลมาเฉยๆแต่เมื่อหายตกใจและหันไปมองก็พบกระจกเงาบานใหญ่แปะติดเสาเห็นเงาระหงของร่างตนปรากฏที่นั่น เงานี้คือสิ่งที่จะาเชื่อว่าจะเป็นและจดจำไว้อย่างนั้นอมริตบอกซึ่งลานดาวก็ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ยิ้มเล็กน้อยก่อนยื่นหน้าศบตากับเงาตนเองกระพริบตาปลิบๆมองทั่วกรอบหน้าและพินิจละเอียดกระทั่งรูขุมขนบนผิวแก้มด้วยความสนเทเพราะหาสิ่งผิดเพี้ยนจากที่เคยคุ้นไม่เจอแม้แต่น้อยจาจะไม่พบพรุษเท่ารอยแมวขวห ร, รอกกา ย, ยาเป็นอย่างไรการิมิตก็จำลองมาอย่างนั้นทุกประการ ตราบใดที่ความรับรู้ยังเป็นตัวเดิมและไม่เสื่อมจากความปักใจเชื่อฟั่งเช่นนั้นลานดาวก็ลองกําหนดจิตบังคับให้เขาหน้าเปลี่ยนแปลงสะกดให้ตนเองเชื่อมั่นว่าทําได้เหมือนควบคุมเงาฝันให้บิดรูปตามปรารถนาแต่พยายามเท่าใดก็ยังเห็นเงาสะท้อนของตนเป็นตัวเดิมถ้าเป็นโลกความจริงจะเชื่อไหมว่าตัวเองสั่งเงาในกระจกเปลี่ยนรูปทรงได้อมาริดทักอย่างรู้ความคิดไม่เชื่อแต่นั่นเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้นี่คะลานดาวตอบ เบนสายตามาสบกับเขาด้วยแวววอนของอุบายความรู้สึกนึกคิดและสภาพจิตใจของจ้าขณะนี้เหมือนปกติสามัญเท่ากับตอนตื่นทุกประการใช่ไหมค่ะรู้สึกอย่างนั้นถ้าต่างบ้างก็คือสติเต็มแน่นไม่ขาดสายผิดปกติอยู่ในเปีระมิดของพี่แตรจะไม่เหม่อเลยแล้วโลกความเป็นจริงจ้าเชื่อไหมาว่าคนเราสามารถเปลี่ยนสภาพจิตใจให้ผิดแผกไปจากเดิมเช่นให้เป็นกุศลมากขึ้นสุขสดชื่นอิ่มบุญแปลกไปเหมือนเป็นคนละวิญญาณ ยิงสาวร้องอ๋ อ, อยู่ในใจอย่างตื่นเต้นลิงโลดเพราะเข้าใจทันทีหล่อนถูกทำให้เชื่อมาตลอดว่ากลายเป็นของเสถียรขณะที่จิตอาจแปรปรวนได้ในชั่วหลัดนิ้วมือและในโลกของวิญญาณ น, นั้นอัตภาพที่ปรากฏน่าจะสัมพันธ์กันโดยตรงกับสภาพจิตนั่นเองเร็วเท่าความคิดลานดาวปิดตากำหนดจิตเป็นสมาธิด้วยการถอนใจยาวตามสบาย แล้วทดลองนึกถึงการตักข้าวใส่บาตพระในครั้งหนึ่งที่บรรดาลกระแ ส, สสุขเบิกบานเอ่อขึ้นเต็มหัวใจครั้งนั้นปิติตื้นตันขนาดสยาม ย, ยิ้มค้างเนิ่นนานอยู่หลายนาทีบัตรนี้ปิติสุขชนิดนั้นหวนคืนกลับมาอีกครั้งสัมผัสเหมือนปิตินั้นเป็นดวงกรำดวงหนึ่งที่ขาวสว่างให้ความเ อ, อิบอาบชุ่มเย็นราวกับชุบวิญ ญ, ญาณ ล, ลงในอ่างกุศลขนาดใหญ่ในพีระมิดของอมริตแห่งนี้ความชื่นใจในบุญเป็นสิ่งที่ประคองง่าย และขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปสะดวกได้ยิ่งลืมตาขึ้นมองเงาในกระจกอีกครั้งอย่างจะดูว่ากำขาวให้ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งก็ไม่ผิดหวังภาพสะท้อนตรงหน้าถึงกับทำให้ขนลุกเกลียวไปทั้งร่างรูปทรงและเขาหน้ายังคงเป็นลานดาวคนเดิมถว่าผิวพรรณผุดผ่องสดใสเสียจนเรืองรัศมีอัมพันอาภาแบบที่ไม่เคยเห็นตนเองเป็นเช่นนั้นมาก่อนทั้งในโลกความจริงและโลกความฝัน เสื้อผ้าอาภรณก็แผลบเปลี่ยนจากชุดนอนสามันเป็นชุดกระโปรงฟ้าสดใสแปลกตาแม้ไม่ส่งเครื่องพิลาศขนาดเป็นนางฟ้าแดนสวรรค์ก็ทําให้ตื่นใจหอปากคลางออกมาเบาๆได้ชนิดไม่รู้ตัวเพิ่งพบผลลัพธ์ของการเป็นคนใจบุญอย่างรวดเร็วทันใจก็คราวนี้เองอย่างน้อยนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เห็นรัศมีเหลืองใสแกมทองและเลื่อมเป็นวงกว้างออกมาจากตัวเองและเกิดความตระหนักว่าหล่อนก็เคยเห็นรัศมีคนใจบุญที่มีความสุขสว่างอย่างนี้มามากในโลกความจริง หากแต่เพราะจิตหลอนยังหยาบต้องพึ่งประสาท ต, ตาเป็นหลักจึงเหมือนแค่อะไรหลอกตาไร้ตัวตนให้จับต้องเป็นสีสันชัดเจนถ้าถามก็อาจบอกได้เพียงเห็นวงขาวสายในสัมผัสทางใจมากกว่าเป็นสีวัตถุอย่างที่เห็นด้วยประสาท ต, ตาเนื้อผันกายจากกระจกเงาอาการนึกคิดชนิดเป็นกลุ่มก้อนหยาบหยบสลายลงความเด่นชัดของจิตผุดขึ้นแทนเป็นความเห็นจากภายในว่าจิตตนเรืองแสงทองมองทางไหนจึงสดใสละ อ, อาตากว่าเคย จึงเข้าใจเรื่องการจำแนกมิติด้วยสภาพจิตลานดาวมาทราบภายหลังว่าสีของจิตยังมีมากกว่านี้ทํานองเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แท่งปริซึมแยกแสงอาทิตย์เป็นรุง้งเจ็ดสีจิตที่ละเอียดพอก็เหมือนแท่งปริซึมที่เห็นสีกระจายจากตนเองเป็นต่างๆตามสภาพอารมณ์ระดับพลังตลอดจนกระทั่งแบบแผนความนึกคิดเลือบชำราเลืองแหลอมริษบัดนี้เขากลายเป็นบุรุษร่างใหญ่ขึ้นเครื่องแต่งกายเปลี่ยนจากเสื้อเชิ้ตกางเกงยาวเดิมมาเป็นผ้าลินินสี่เหลี่ยมที่ห่อพันกาย และผูกคาดเอลสไตป์ปราดกลีบโบราณจากระดับจิตของลานดาวขณะนั้นหล่อนเห็นขอบรัศมีจิตของเขาเรื่อเหลืองแกมทองเช่นกันแต่มีความสุขสว่างเด่นดวงเยี่ยงราศีพลังสูงสดใสยเย็นตาและกว้างขวางใกล้เคียงกับขอบเขตของพีระมิด ต, ตอนนี้จ้าเห็นแบบที่พี่แตร์เห็นหรือยังคะยังพี่แตรรู้ได้ยังไงจ้ายังไม่ทันบอกเลยว่าจ้าเห็นอะไรบ้างพี่ไม่รู้ว่าจ้าเห็นอะไรบ้างรู้แต่ว่าจิตจ้ายังหยาบกว่าพี่มีอะไรห น, น, นาหนาห่อหุ้มอยู่ คงคล้ายกับถ้าจ้าเห็นคนใส่แว่นดำข้างแดงข้างจ้าก็จะรู้ว่าเขาเห็นโลกไม่เหมือนเราที่ปราศจากแว่นตอนนี้จ้าเห็นที่แตรสวมเสื้อผ้าแบบอริสโตเติลตอนกําลังจะสอนปรัชญาให้เด็กเมื่อวานซึนนะคะ่ะไม่ตรงหรือคะอริสโตเติลหัวเราเบาๆไม่หรอกพี่ไม่ได้เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นสิ่งที่จ้าคิดว่าพี่เป็นต่างหากแต่จ้าไม่เคยนึกว่าพี่แตรเป็นพวกนักปรัชญากลีกเลยนะถ้าสืบลงไปลึกๆ ก, ก็จะพบเขาเองแหละ เหมือนอย่างในฝันทั่วไปเราอาจจดจำใครบางคนไปปรุงปั้นให้เป็นทหารทั้งที่ขณะตื่นไม่เคยเห็นเขาเป็นทหารเลยสักครั้งตอนเราหลับอยู่จิตจะทำงานเร็วมากและฉายภาพที่ฟ้องความรู้สึกแท้ของเราออกมาได้มากมายแล้วทำยังไงจะได้เห็นตรงกันกับพี่แตรได้ล่ะนี่ก็ต้องทำจิตให้ใสเบาเสมอกันกันกบพี่ลานดาวเลิกคิวสูงด้วยความฉงนสมาธิก่อนหลับไม่ทาให้ใสเบาพอหรือคะ สมาธิช่วงนั้นเหมือนแค่บัดผ่านประตูเข้ามาที่นี่พอมาอยู่ในนี้ก็ฟุ้งเหมือนเดิมว่าเรื่องของจิตนี่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมหาจันพันลึกเสียเหลือเกินงั้นพี่แตรสอนทีนะคะว่าทําอย่างไรจะเห็นแบบที่พี่แตรเห็นได้มานั่งตรงหน้าพี่สิหญิงสาวก้าวตรงเข้าหาผู้เป็นประธานน้ใจกลางพีระมิดพอมาหย่อนร่างนั่งขัดสมาธิตรงหน้าอมาริดก็เกิดความระยอกคลั่งเกรงอย่างประหลาดขัดแย้งในตัวเองที่ทั้งอยากขยับถอยออกห่างรัศมีแรงสูง และทั้งอยากเข้าประชิดรับไออุ่นยิ่งใหญ่ให้ใกล้กว่านี้ถ้าต้องการเห็นแบบที่พี่กําลังเห็นก็ต้องทําสมาธิในรูปแบบเดียวกันคือสร้างพีระมิดขึ้นมาอีกหลังหนึ่งอย่างจ้าจะทําอะไรยากๆขนาดนั้นได้หรือถ้าตอนกําลังตื่นก็คงต้องฝึกอีกนานแต่ขณะอยู่ในพีระมิดของพี่แบบนี้ทําครั้งแรกก็สําเร็จง่ายๆเพราะทั้งพีระมิดก็คือกระแสะสมาธิช่วยหนุนให้อยู่แล้วโอเคค่ะฟังแล้วค่อยใจชื้นหน่อยเอาล่ะปิดตาลงนะ เมื่อลานดาวทำตามเขาก็สั่งต่อตามลำดับหายใจเข้าด้วยอาการสำเนียกความสดชื่นเหมือนหายใจด้วยรอยยิ้มจิตที่ชื่นชมยินดีกับลมหายใจจะเห็นลมหายใจชัดได้เองตอนระบายลมออกก็สำเนียกถึงความผ่อนคลายสบายใจให้มีความสุขเสมอกันนั่นแหละกำหนดลมหายใจด้วยอาการอย่างนี้ซ้าไปซ้ำมาดูความหนักแน่นของจิตระหว่างกลางการรับรู้จะเห็นมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ลานดาวเคยทำสมาธิแบบตามรู้ลมมาก่อนถตว่าได้ผลแตกต่างจากขณะที่กำลังอยู่ในปิรามิดนี้เป็นคนละเรื่องหลอนพบกับความประหลาดใจยิ่งที่พบว่าจิตของตนไม่ซัดสายไม่กระโดดไปเกาะสิ่งอื่นไม่คำนึงถึงอดีตไม่แล่นล่วงหน้าหาอนาคตอาจจะเพราะความพอใจลมบริสุทธิ์สดชื่นที่ผ่านเข้าสู่รวงอกในปัจจุบันอย่างหล้นเหลือจึงไม่มีใจเผื่อให้กับอะไรข้างหน้าหรือข้างหลังอีกต่อไป จิตมีน้ำหนักพลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผนึกนิ่งสว่างโพนเต็มดวงกว้างออกมาจากกลางอกสภาพนึกคิดแบบบุคคลหายหันเหลือเพียงสภาวะยินดีปรีดารู้เห็นสายลมหายใจเข้าออกเหยียดยาวสํานึกข้องเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลลดลงแทบเหลือศูนย์ทุกอย่างมาลายกลายเป็นความขาวใสทะลุความทึบตันออกสู่ความโล่งละลิบหูได้ยินครูผู้คุมสมาธิบอกบทต่อคราวนี้จินตนาการว่าเรานั่งอยู่กลางห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากัน ลานดาวนึกตามในขณะแห่งสมาธิจิตมั่นคงกระจ่างใสนั้นน้อมนึกอะไรก็ชัดกลิบเป็นจริงเป็นจังทั้งหมดเหมือนพลิกผันมาอยู่อีกสถานที่หนึ่งจริงๆจิตเห็นเหมือนมีผนังจัตรุรัสปิดกั้นทั้ง4ทิศเอานะตอนนี้พี่เห็นจัตรุรัสปรากฏแล้วให้จ้าทำความรับรู้ถึงผนังทั้ง4ด้านสัมผัสรู้สึกถึงอากาศรอบตัวที่อยู่ในขอบเขตจำกัดระหว่างผนังกัน้นสังเกตความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยในเขตมุงบงัง รู้สึกถึงความเงียบสงบไม่ไหวติงภายในนั้นสำรวจผนังทีละด้านจนแน่ใจว่ามันมีอยู่จริงเป็นตัวเป็นตนคราวนี้สำคัญนะนึกให้ผนังทั้งสด้านล้มเข้าหากันแต่ละด้านกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าบรรจบยอดสุดเป็นปลายแหลมอย่างพีระมิดตรงกับกลางกระหม่อมเราพอดีขณะนั้นจิตล้านดาวปักหลักมั่นคุมนิมิตได้ตามปรารถนาและจดจ่อแน่วแน่ขณะได้ยินเสียงล้มกระทบประกบกันระหว่างผนังที่แปลงเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าถุกทิศทั้งซ้ายขวา หน้าหลังพอเกิดสามเหลี่ยมพีระมิดขึ้นเต็มสภาพก็สำเนีกถึงความแปลกเปลี่ยนทันทีคลายรูปทรงที่เพิ่งก่อตัวขึ้นนั้นประจุคุ้มพลังมาหึมาไว้เต็มแน่นเรากับเอาไปใช้ระเบิดภูเขาได้ทั้งลูกผนังเนอเรมิดตกผลึกเป็นแก้วใสแบบเดียวกับคอสคลิสตันที่เรืองแสงสว่างอบอุ่นได้ในตัวเองอันนี้หลอนเห็นมาก่อนจากพีระมิดของอมาริดแต่ว่ามิได้จงใจสร้างเรียนแบบแต่อย่างใดพี่เห็นพีระมิดของจ่าแล้วนะเป็นรูปเป็นร่างชัดทีเดียว จาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถควบคุมให้ขนาดของมันเปลี่ยนได้ดังใจลองนึกให้ใหญ่เท่าพีระมิดของพี่ดูลานดาวปฏิบัติตามกระทั่งปรากฏเป็นความเห็นทางใจว่าพื้นที่จัตุรัสขยายออกเท่าพื้นที่พีระมิดของอมาริดซึ่งก็พลอยทําให้สามเหลี่ยมด้านเท่าที่มุงอยู่ทุกด้านแปรผันตามซ้อนกันได้สนิทภาวะของจ้าตอนนี้แม้จะมั่นคงพอสมควรแต่ถ้าลืมตาขึ้นมาหรือกระทั่งคิดจะโต้อตอบพูดคุยกับพี่พีระมิดจะหายไป เพราะฉะนั้นจะต้องหลับซ้อนลงไปอีกครั้งเป็นการฟอกจิตให้สะอาดเกลี้ยงกล่ำขึ้นเรียกว่าลอกคราบหยาบที่เกาะกุมภาวะประนีเราออกเสียพอตื่นขึ้นอีกหนกายละเอียดใหม่จะสามารถออกมาเคลื่อนไหวและพูดคุยกับพี่ได้พอลานดาวเกิดคําถามในใจว่าจะหลับได้ด้วยวิธีใดก็เพ อ, เอิญอมริตกล่าวขึ้นพอดีวิธีหลับครั้งที่สองนะให้ส่งความรู้สึกในนิมิตพีระมิดไว้ดีๆค่อยๆเอนตัวลงนอนเอาเลยนอนเลยหันหัวมาทางพี่ก็ได้ ทำความรู้สึกเหมือนแผ่นน้ำที่มีแรงตึงผิวราบเรียบพอดีกำหนดไว้ในใจคล้ายเราลอยตัวแผ่เสมอกับผิวน้ำนั่นแหละเพ่งหนักไปนิดหนึ่งคลายลงหน่อยอย่างนั้นคราวนี้น้อมนึกว่านิมิตพีระมิดทั้งหมดคือพลังที่คำจุนสภาพหลับนิ่งลึกซึ้งของเราไว้พี่จะช่วยนับถอยหลังจาก5ถึง1ให้นะตรงจุดนี้อมริตใช้หลักสะกดจิตแบบจิตแพทย์มาเสริมด้วยการพูดช้าแช่มชัด นมนาวให้เกิดอาการทางจิตตามเสียงสั่งผนวกเข้ากับความสามารถรู้วาระจิตตรงตามจริงของเขาด้วยห้าจะรักษาความราบเรียบเต็มตึงของจิตเตรียมเข้าสู่การหลับได้ดีแล้วสี่จะกำลังหมดความนึกคิดนอกเหนือจากพีระมิดสามจิตของจะยุติการทำงานทั้งหมดเพื่อให้พีระมิดทำงานแทนสองเหลือแต่ความสว่างสบายผ่อนคลายไปทั่ว 1. จงหลับ คำสุดท้ายอมริตอธิษฐานเรียกพลังจากพีระมิดของเขาเขาสะกดให้ลานดาวก้าวลงสู่นิทราสนิทซึ่งก็มีผลให้สติของหญิงสาวดับวูบลงทันทีชั่วขณะหนึ่งจากนั้นจึงค่อยแปลเป็นความรู้สึกเหมือนจมดิ่งลงสู่ทะเลทิพย์อันแสนสุขที่ปราศจากการรับรู้อื่นใดไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลมีแต่ความลึกโอรานของก้นสมุดแห่งความหลับชั่วนิวรันด์แล้วด้วยกลไกการทํางานอันแสนพิสดารของจิตลานดาวก็เหมือนผลดพร่งติดตัวพรุ่งขึ้นเหนือน้ํา รับรู้ความปลอดโปร่งขีดสุดทั้งเบาดุดไรน้ำหนักทั้งซาบซ่านด้วยการอาบฉลมแห่งสายลมศักดิ์สิทธิ์หลอนลืมตารู้สึกตัวตื่นขึ้นในอีกภาวะหนึ่งที่แปลกใหม่เหนือคําบรรยายใดๆทุกอย่างสว่างกระจ่างแจ้งผิดธรรมดาทุกอนูประจุ ด, ด้วยรสเกษมล้ำลึกจิตสว่างโร่สำเนีจอถึงรัศมีสีเงินยวงที่เจิดจ้าจากความว่างตรงกลางไปศาสตร์ประกายระยิบระยับที่ขอบวงเหมือนจิตถูกไล่ด้วยสัมผัสอ่อนละมุนโดยตรง เพราะอาพรที่ห่อหุ้มยามนี้ละเอียดเสียจนคล้ายแสงเงินแสงทองเสียมากกว่าจะเป็นลักษณะของเนื้อผ้าส่วนผิวกายที่สุขุมจนเหมือนไร้สัมผัสหยาบใดๆเป็นความละอององค์อีกชั้นหนึ่งเนื้อรูปลักษ์ทั้งหมดในประสบการณ์ชั่วชีวิตแม้กระทั่งจินตนาการถึงเทพธิดาบนสวงสวรรค์ยังอาจแพ้เลียวหาผู้เหนียวนำจิตวิญ ญ, ญาณหลอนมาถึงสภาพนี้เขาอยู่ในภาวะพอดีกันคืออยู่ในอาภรสีทองเป็นเงามัน เปล่งประกายระยิบระยับที่เกล็ดเพชรนับแสนรวมกันยังต้องอายอมาลิทยังเป็นบุรุษรูปงามคนเดิมแต่เขาโครงรูปร่างหน้าตาดูอ่อนละไมผิดมนุษย์และมีรัศมีจิตจัดจ้าเสียจนหล่อนไม่กล้ามองตรงๆงนี่คือจิตแท้ของเราหรือคะหล่อนว่าหล่อนเปล่งเสียงออกไปเพียงแผ่วทว่ากลับได้ยินชัดลึกภายรอบระณีดคล้ายกล้องอยู่ในจิตมากกว่ากระจายผ่านอากาศอย่างที่เคยคุ้นครั้งแรกพี่ก็นึกอย่างนั้นภายหลังพอมาถึงตรงนี้บ่อยๆพิจารณาแล้วถึงรู้ว่า นี่เป็นแค่แบบแผนภาวะสุขุมชนิดหนึ่งจิตจริงๆเป็นธาตุรูไรนิมิตแต่ก็เป็นผู้สร้างสารร์รูปลักษ์ทั้งหลายขึ้นจากภาวะกุศลและอกุศลของตนน้ำเสียงของเขากังวานคลอเคลียอยู่ในโสดเท่าๆกับกังวาลอย่างหน้าพิศวงอยู่ในอากาศลึกงานนี้คือพบของพรหมเป็นความทรงจําเล็กๆที่ติดตัวมาหล่อนทราบว่าสูงเหนือมนุษย์ภูมิขึ้นมาคือเทวภูมิอันยังข้องเกี่ยวอยู่กับกามคุณห้าและเหนือจากนั้นขึ้นมาอีก คือพรมภูมิซึ่งตัดขาดจากการมาคุณทั้งหลายเหลือเพียงสภาวะอันเอื้อให้เสพปิติด้วยจิตแม้ผัสสะทางกายก็หายไปจะลองสำรวจตัวเองจะเห็นยังมีเพศหญิงอยู่นะเพราะฉะนั้นกล่าวไม่ได้ว่านี่เป็นพรมโลกหรอกที่นี่เป็นเพียงอีกพบหนึ่งที่จิตสร้างขึ้นจากการหลับซ้อนหลับเท่านั้นเขาความเป็นมนุษย์ยังคงอยู่ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พรมแล้วจะทำอะไรใช้ประโยชน์อะไรไดจากที่นี่นอกเหนือจากเสพสุขคะ จ้มีความสุขเสียจนอยากให้ทุกคนมารู้จักกับภาวะนี้พร้อมกันทั้งโลกเลยนั่นแหละธรรมชาติของภพนี้ใครมาถึงก็จะอยากแผ่เมตตาเพื่อแผ่ความเยือกเย็นไปทั่วจั ก, กรวาลเพราะการส่งสุขเป็นอนันต์ก็คือการมีสุขเป็นอนันต์ลานดาวรู้จักกับรสปิติตื่นตานสุดพันน า, นาเข้าใจแจ่มชัดและจดจําไว้ส่งสุขจึงมีสุขขอจ้าลองแผ่เมตตาร่วมกับพี่แตรนะคะเอาสิทางอิริยาบถยืนนั่นเอง อมริตยื่นสองมือให้ลานดาววางประกบซึ่งความละเอียดอ่อนระดับนั้นเหมือนจิตผสานเป็นอัตราหนึ่งเดียวกันมากกว่าแยกเป็นสองปิดตาลงแล้วทําความรู้สึกให้ทั่วถึงทั้งพีระมิดที่ซ้อนกันสองหลังของเราเห็นในใจตามจริงว่ามันร่วมกันทอแสงใสเย็นและส่งแรงสะเทือนอันน้าพิสมัยเต็มไปด้วยพลังคุ้มคลองพอแจ่มชัดก็น้อมนึกให้ความสะเทือนนั้นแผ่เป็นรัศมีขยายออกไปให้มันเบ่งบานขึ้นเองด้วยน้ําใสใจจริงของเรา หญิงสาวได้เห็นการขยายตัวของพลังสว่างที่ไม่เคยพบพานมาก่อนหล่อนสัมผัสชัดว่านั่นคือขอบเขตรัศมีเมตตาที่แผ่ออกด้วยดวงจิตอันเป็นหนึ่งเดียวกับพีระมิดยิ่งนานยิ่งเบ่งบานกว้างออกไปกระทั่งถึงสิ้นสุดที่เขตหนึ่งซึ่งจิตบอกว่าเริ่มไปพ้นจากการประมาณวัดเป็นขนาดเสียแล้วตรงนั้นเองคือนิยามของอนันตภาพณจุดนั้นเสียงอมฤตดังขึ้นคล้ายเสียงความคิดของหล่อนเองปรากฏอยู่ในใจขณะที่เราอาศัยอยู่ในพีระมิดนี้ มีใครบางคนกําลังสร้างพีระมิดขึ้นมามีใครบางคนกําลังอาศัยอยู่ในพีระมิดคล้ายเราอาจจะอยู่ในสมาธิหรืออาจจะอยู่ในฝันทั้งทรงสติแบบนี้บรรดาผู้มีพลังอิ่มตัวแล้วจะพากันเชื่อมพีระมิดของตนเข้าหากันเป็นหนึ่งเดียวปราศจากการแบ่งแยกเพราะฉะนั้นง่ายที่เราจะขอเป็นหนึ่งหน่วยเชื่อมต่อกับเครือข่ายขนาดยักษ์นี้เพื่ อ, ออาศัยพลังกันและการคําจุนใครเพียงพลังก็ถูกผองเพื่อนฉุดหรือเหนี่ยวไว้ไม่ให้ตกต่ํา คำพูดของอามาริตทำให้ปรากฏนิมิตพีระมิดนับพันเรียงรายดุจหมู่ดาวในห้วงเอกภพพีพระมิดเหล่านั้นมีกระแสใจเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นเอกภาพคล้ายใยแมงมุมนั่นเองหล่อนจึงเข้าใจภาวะของภ พ, พที่ร่วมกันสร้างโดยหมู่จิตชนิดเดียวกันทำสมาธิสร้างนิมิตขึ้นแบบไหนก็มารวมกลุ่มกับจิตวิญ ญ, ญาณอัธยาศัยเดียวกันแบบนั้นเนิ่นนานกระทั่งถึงจุดยุติที่ต่างฝ่ายต่างรู้จึงลืมตาขึ้นพร้อมกันล้านดาวยิ้มกระจ่างเนตรทิพย์เชื่อมกันสนิทกับเขา จนเวลาพีระมิดของพี่เสื่อมลงแล้วเตรียมตัวตื่นได้เป็นกำหนดเวลาตายตัวหรือพี่แตรทราบจากไหนคะอมริชีให้ดูผนังแก้วแสงสว่างลดลงเหมือนต้นไม้ที่เริ่มเหี่ยวเฉาเห็นไหมอ๋ออย่างนี้เองนึกว่าจะทรงสภาพได้นานตราบเท่าที่พี่แตรต้องการเสียอีกมันเสื่อมเพราะถึงเวลาต้องเสื่อมสั่งอย่างไรก็ไม่สาเร็จหรอกจะต้องตื่นสองครั้งนะตอนนี้ในโลกความจริงจะอยู่ในภาวะหลับลึกมาก ถ้าตื่นทันทีจะมืนงงมีผลกระทบกับสมองได้ทํานองเดียวกับคนดำนามลึกแล้วพุ่งขึ้นผิวน้ารวดพลาดโดยไม่มีช่วงขั้นพักปรับสมดุลในร่างกายเสียก่อนไม่อยากออกจากมิตินี้เลยหญิงสาวส่งเสียงละห้อยวันหลังเอาใหม่ให้เก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครชนะกฎแห่งความเสื่อมค่ะเอาละเดี๋ยวพี่จะช่วยปลุกให้ตื่นปิดตาลงลานดาวทาตามเขาสั่งทั้งยืนอยู่เช่นนั้นอมาลใช้หลักถอนการสะกดจิตเข้ามาช่วยอีกครั้ง พี่จะนับถอยหลังไปสู่ความตื่นครั้งแรก 3. ามจะอยู่ในอาการหลับสบาย 2. องจะคลายจากห่วงหลับ 1. จงตื่นคล้ายกับมายากลหล่อนตื่นขึ้นชั้นหนึ่งจริงๆลานดาวเพิ่งตระหนักว่าส่วนหนึ่งของจิตตกอยู่ภายใต้อำนาจกฎของอมริทหล่อนกระพริบตาทีๆเพราะเห็นตนเปลี่ยนจากอาการยืนเมื่อครูเป็นอาการนอนกลางพื้นพีระมิดศีษะวางใกล้ตักเขาลมหายใจของหล่อนหยาบขึ้นเนื้อตัวมีน้ำหนักมากขึ้น นอนต่ออย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะช่วยปลุกอีกครั้งจะพอจะรู้วิธีตื่นแล้วค่ะพี่แตร์ให้จ้าลองเองบ้างไหมเผื่อคราวหน้าจะได้จำทางเข้าออกถูกโอเคพี่แตรยังไม่วางโทรศัพท์ใช่ไหมคะถ้าตื่นพร้อมกันให้จ้าคุยด้วยเพื่อความแน่ใจว่าไม่ได้ละเมอเพลพกไปคนเดียวนะได้สิลานดาวปิดตาลงระลึกถึงสภาพบนเตียงนอนในโลกความจริงทุกคนมีสัญชาตญาณในการเอาตัวเองออกจากภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่แล้ว และหล่อนก็คิดว่าสามารถประยุกต์วิธีทางจิตลักษณะนั้นมาใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องนับถอยหลังแต่อย่างใด